ขอความเจริญในธรรมจ่มีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงปโปติยานกำลังเสนอภาพรวมของสังคมอารยันยุคก่อนพุทธกาลจนมาถึงพุทธกาลก็ในกรอบคำว่าชมพูตวิปและประชาชนชมพูตวิปนั้นหมายถึงท้องจิ่นนะฮะประชาชนหมายถึงประชาชนแล้วก็ไปยึดโยงกับการศึกษ า, าศาสานาะ ศิละปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีลักนณะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองก็ไปกันเป็นแถวไปเลยก็กําลังพูดถึงสังคมเป็นการสะท้อนจมุมสองมุมนะฮะมุมหนึ่งก็คือการแบ่งแยกทั้งๆ ท, ท, ที่เริ่มมาจากที่เดียวกันแล้วก็มาแบ่งแยกนึกถึงเริ่มจาที่เดียวกันแล้วก็มาแบ่งแยกในที่จริงไมแ่แปกนะฮะเราจะเห็นว่า มันก็ใกล้ๆกับน้ำซึ่งตกลงบนที่สูงและไหลาจากที่สูงเนี่ยมันจะเริ่มแบ่งแยกกระจายไปสู่ลาธารเล็กลาธารน้อยแต่ถึงจุดหนึ่งก็ไหลกันไปเรื่อยๆนะฮะทัดกันไปทัดกันมาไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ออกทะเลไปรวมกันที่ทะเลแล้วกลายเป็นหนึ่งอีกละ่ะมาจากหนึ่งมาสู่ความเป็นมากแล้วก็ไปสู่ความเป็นหนึ่งเกคยตั้งข้อสังเกตให้ เจ้าคณะประสังการติการมองดูชีวิตของคนเราโบลองสังเกตอ่ะเราก็จากความเป็นมากมาสู่ความเป็นหนึ่งจากความเป็นหนึ่งไปสู่ความเป็นมากอย่าวยกตัวอย่างว่าอาหารการกินของเราเนี่ยกว่าจะเป็นอาหารนี่มาจากที่ต่างๆเยอะถ้าเราแยกอาหารในแต่ละมื้อที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันที่มันเดินทางไกลเหลือเกินนะฮะไม่รู้สักกี่ ร้อยกิโลกี่พันกิโลเลยและเสร็จแล้วมันก็เข้ามาเป็นแกงภาชนะเดียวกันขนมชนิดเดียวกันอะไรต่ออะไรเนี่ย ร, รวมกันก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็มากองกันหนึ่งหนึ่งละหนึ่งก็กลายเป็นหมากหมากเสร็จแล้วก็เต็มโต๊ะนะฮะก็ต่างคนแล้วก็กินเข้าไปก็กลืนเข้าไปก็กลายเป็นหนึ่งอยู่ในกระเพาะอาหาร ในกระเพาะ อ, อาหารก็ทาหน้าที่ย่อยกระจายไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายก็กลายเป็นมากมากและในที่สุดพวกนั้นก็คืนกลับเข้าไปไปไปกลายเป็นหล่อเลี้ยงชีวิตก็เป็นหนึ่งเดียวคืชีิตนั่นเองแล่จากความเป็นหนึ่งเหล่านี้ยในสุดมันก็ย่อยสลายไปตามสายของมันดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําลมไปสู่ไฟอากาศไปสู่อากายก็กลายเป็นความเป็นมากมันก็นวนเวีกันอยู่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษา แล้วหาความเข้าใจกันหรือถ้าเราคิดได้เราทำใจได้ต่ความรุนแรงเป็นเราเป็นเขามันจะลดน้อยลงการเบียดเบียนรทุสลายจะลดน้อยลงภาพลักษณ์ของสังคมกับเศรษฐกิจกับการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแบ่งแยกชัดเจนเช่นว่าพูดถึงอาหารการกินคนหนึ่งไม่รู้จะกินยังไงมันมากมายแล้วกนอีกุ่หนึ่งเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรเพราะไม่มีอะไรจะกิน และกรุงหนึ่งก็เรียกพออยู่พอกินไปแต่ไม่ถึงกับผู้ผฟ้าฟุ่งเฟือยแต่ไม่ถึงกับมาจากปากแข้งในตั้งเครื่อ ง, งมือคมโอโ้โหบางคนเนี่ยเราจะพบว่าอย่างในเครื่องประดับประดามาประสาทของนางวิสาขากริดาของเศรษฐีในกรุงราชกฤตอีกคนหนึ่งแล้วก็พระนางมริกาเทวี ราคายี่สิบเจ็ดโกดคือสองร้อยห้าสิบล้านก็หาปะนะันนักเอ้ยสองร้อยเจ็สิบล้านก็หาปะนะันนักต่อมานาวิสาขาเอาไปขายสร้างวัดอสร้างวัดได้วัดหนึ่งนะฮะวัดพระเวรวนเนี่ยสร้างโดยการขายเครื่องประดับประดามาปาะสารแสดงวัดเครื่องนุ่งห่มบางคนก็รวยมห า, าศาลเลย บางคนก็เก็บเศษผ้ามาประติประต อ, อกกันนะจนถึงพวกพระเราในตอนหลังนะ่จะเห็นว่าในตอนแรกก็เก็บเศษผ้ามาผ้ามาติไปต่ อ, อ ก, กันในเรื่องของที่อยู่อาศัยมันมีกระสอบมันมีฉริมถนนขึ้นไปปราสาทราชวังปราสาทเจ็ดชั้นเป็นที่อยู่ในฤดูต่างๆหรูหราผู้ฝ่าสมบูรณ์ คนคนเดียวจะรับการปนเปื้อนมหาศาลในระยะแก้ไข้คนบางคนเนี่ยก็เรียกว่าโอกาสที่จะไขจะเกิดขึ้นนี่ก็ยากแล้วก็มีการป้องกันสารพัดพอเกิดป่วยปั๊บก็รักษาเท่าไรก็เท่ากันเลยในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งไม่มีจกินยังไงบางทีก็ตายอยู่ข้างถนนนะเพราะ ง, งั้นเราจะเห็นว่าปอนพระสง์เกิดขึ้นเนี่ย มันก็อยู่ในระดับใกล้ๆกันคือกาหนดเกณฑ์การใช้ปัจจัยสี่ในระดับมาตรฐานขั้นต่าสุดแล้วก็มันมีคนอยู่ในระดับนั้นอยู่แล้วแล้วถ้าเราอยู่ระดับนั้นได้เนี่ยเมื่อเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ก็กลายเป็นสถาบันสงขึ้นในการต่อมาในขณะเดียวกันเอีพวกเศรษฐีทั้งหลายที่มั่งคั่งํางรวยเศรษฐีก็ประราชานะส่วนใหญ่เนี่ย มันจะมีเขาเรียก ม, มาพวกหมาสาลเศรษฐีหมาสาลกษัตริย์หมาสาลพราหมหาศาลกำหนดแตกต่างกันกษัตริ์หมาสารนี่รวยที่สุดต่อมาก็เศรษฐีหมาสาลแล้วก็พราหมมาศาลแล้วก็กลายเป็นเครืองบดีก็เล้อย่ออีกนะฮะจนถึงเป็นคดีหมาสาลบรับบดีเฉยๆก็ใช้ท่าเป็นเกณฑ์กำหนด ว่าซ้อนกันหมายความเมื่อก่อนเนี่ยกำหนดวันนะอะวนนะเสร็จแล้วก็ซับต่อมาก็ตําแหน่งเอาตําแหน่งเป็นเครื่องมือในการกําหนดตาแหน่งชนั้นยศต่างๆมันก็อย่างนี้บอกไว้นะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงมนุษย์ก็คือมนุษย์อ่ะเวลานี้มันก็คิดอย่างนั้นด้วยกันเห็นไหมเราก็พยายามจะยึดกลุมเศรษฐกิจยึดกลุมสังคมยึดกลุมการศึกษา ยดกลุ่มการศาก่อนนะฮะยดกลุ่มการศาแต่ว่าครอบครัวนั้นจะมีต้องมีเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีแต่รสร้างลูกขึ้นมาก็ด้วยยึดกลุ่มทางการศาเหนือกว่าด้านการศาเสร็จแล้วก็ไปเหนือกว่าทางด้านเศรษฐกิจก็เหนือกว่าทางด้านสังคมแล้วก็ไปเหนือกว่าด้านการเมืองก็ครอบงำสังคมเหมือนเดิมนะบุคคลพวกนี้มันก็มีอยู่ทุกยุทุกสมัย แล้วคนกลุ่มนี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขามีน้ำใจต่อประชาชนเราจะเห็นว่าก็มีการสร้างโรงทานขึ้นมาบางทีก็สร้างบ้านในราศดรเขาอยู่อาศัยกันจัดสรรแบ่งปันที่ดินในราศดรเขาอยู่อันนี้ทั้งประราชาทั้งเศรษฐีนะทำกันแล้วในการต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นถึงพระสงฆ์เองในตอนหลัง ก็มีการเราไม่ถึงผูก้กระจัดสรร น, นะฮะคือว่าเอาบ้านให้ชาวบ้านชาวบ้านก็ถวายบ้านท่านท่านก็เอาไปแจกจ่ายแก่รัชฎรเราจึงพบว่าสังคมอรารยันยุคนั้นในพูดถึงทานเนี่ยพูดเยอะจริงพูดสารพัดมันแน่นอนคือเรื่องบุญนะกว่าเรื่องบุญนะฮะแต่ว่าปัญหาเรื่องสังคมปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสังคมปัญหาจิตวิทยาสังคมจิตวิทยานะ แล้วก็ตลอดถึงสร้างบุญบา ร, รมีให้แก่ตัวเองมีการพูดขนาดว่าเนกาศีและปะเตสุขขังบริโภคคนเดียวไม่ได้สุขตรงนี้ที่จริงเป็นพุทธศาสนสุภาษิตนะพู้เจ้าไม่ได้ทรงแสดงจะเป็นการเล่าตำนานประดมประราการพูดถึงทส้สศกะพรอมมาเป็นพรามาธรมานเศรษฐี แล้วก็เตือนสติได้คิดว่าบริโภคคนเดียวไม่ได้สุขทีนี้บางทีเนี่ยคนไม่ให้พระสนิบ้างเพราะไม่รู้บ้างนะเพราะเสียดายบ้างท่านก็อธิบายผลต่างๆเอามีน้อยมีน้อยก็ให้ไปตามน้อยการไม่ให้ไม่ดีเลยมีมากก็ให้ไปตามมา การไม่ให้ไม่ดีให้โดยศรัทธาเป็นการดีเราแสดงให้เห็นว่ า, าการให้มันเป็นบิดากรรมอันนี้ที่จริงเป็นคนเป็นคนนอกพูดนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดเพียงแต่ว่ามันเป็นความดีงามในด้านต่างๆหลายๆด้านน่ะทีเดียวศาสนาก็ยอมรับความจริงส่วนนี้จนถึงว่า ให้ด้วยศรัทธาเป็นการดีใครควรแล้วให้เป็นการดีการไม่ให้เลยเนี่ยไม่ดีแล้วก็แสดงถึงความต่อเนื่องของผลเหล่านั้นไว้ไตำนานที่เกี่ยวกับผลอนิสงส์ต่างๆเนี่ยมันก็มีตัว อ, อย่างให้เห็นอยู่ในก่อนฟุตสมัยละคนเหล่านี้จึงมีลักษณะคล้ายๆกับต้นไม้ รเราจะเห็นว่ามันก็เติบโตอาศัยโฉนดของดินอยู่ระยะหนึ่งเมื่อก่อนก็พึ่งพาสายคนอื่นขึ้นมาเรื่อยเถึงจุดหนึ่งก็ยืนหยัดด้วยตั ว, ตวเองได้แล้วก็เริ่มแตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลควางใหญ่ไพศาลออกไปตัวเองก็เติบโตยังมีสัดส่วนแต่ว่าเพื่อให้เป็นที่อาศัยของผู้คนได้มากสามารถจะบริการสังคมได้กว้างขวาง ม, มากยิ่งขึ้น ม่ใช่เป็นความเจริญเติบโตเพื่อตัวของมันเองแต่ว่าเป็นการเจริญเติบโตเพื่อให้คนอื่นได้อาศัยมากกว่าที่จะกินด้วยตัวของมันเองเพราะจริงๆมันก็กินเท่าที่มันกินนะครมันก็อยู่เท่าที่มันอยู่แต่ทีนี้เมื่อแกต้องการจะมีลูกมากมีดอกมากมีลูกมากนะเพื่อให้มีเพื่อคนได้ประโยชน์จากผลของมันมากมันก็กลายเป็นกระบวนการว่ามันก็ต้องสูบอาหารมากมาหล่อเลี้ยงตัวเองให้มากขึ้นเพื่อจะ ทำประโยชน์แกตัคนแกบุคคลอื่นได้มากขึ้นแล้วก็ลักษณะทางทางสังคมก็เกิดเกิดความคิดขึ้นมาเราจะเห็นว่าความคิดทางศาสนามันก็กลายเป็นเอกสาหนึง่งคือจะเข้าไปศึกษาไปอยู่ตำป่าตำถ้ำตำเผ า, า, า, า, ามีนักบวชสารพัดชนิดพื้นฐานความคิดของท่านเหล่านั้นก็ยิงย่งหยอดไม่เหมือนกัน พวกแนวหนึ่งก็จะไปทรมานร่างกายของตัวเองพวกนี้ก็ทําประโยชน์เพื่อตัวเองให้เป็นที่เคารพยาเกรงเป็นที่โปรดปรานของเทพเจา้าจะประสิทธิประจกักรจะมานําพาไปสู่สวรรค์จะเคารพยาเกรงตัวเองอะไรต่างกันแล้วแต่ แ, แ ต, แตสรุปมันทําเพื่อตัวเองและบางทีก็กลัว พอจะกลับเข้าบ้านเข้าเมืองก็จะมีปัญหาพวกนี้เลยอยู่ปากกับโจหนวดงอกเลยนกกระจอกทำรังได้กลายเป็นฤษีชีไพรทั้งหลายนี่เยอะแยะไปหมดนั้นก็สายศาสนามันก็ตันนะนะครับมันถึงจุดหนึ่งมันก็ตันมันก็ตั้งปัญหาถามว่าพวกนี้ก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเห็นแก่ตัวทำอะไรก็เพื่อตัวเอง แต่ว่าจริงๆแกก็ไม่เบียดในสังคบ ม, มากนะครเพราะกก น, นี้ก็ไปอยู่ในป่าแต่ว่าอาจจะทอดทิ้งครอบครัวอะไรอยู่บ้างซึ่งก็ธรรมดาที่นี้ข่ายทางบ้านเมืองเนี่ยก็ไปอิงอาศัยทางศ า, ศาสนาขึ้นพระราชกุมารทั้งหลายในส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ศึกษากับอาจารย์ทิสาปะมโมก แล้วก็มีคนพวกนี้แหละพวกอาจารย์ที่สาวปาโมกพวกอะไรเนี่ยตอนชราเนี่ยมันเกิดบวชเพราะอะไเพราะเกิดความคิดทางสังคมจะมันพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกอาสมอาสมก็คือที่จริงก็คือที่อยู่แต่เป็นห่วงเวลาที่อยู่ของชีวิตโดยก็แบ่งชีวิตเป็น 4, 4ีช่วงสีห่วงด้วยกัน ช่วงแรกก็เรียกว่าพรหมจรรย์มีการศึกษาและเรียนตามสมควรแก่สถานะของสกุลพอช่วงที่สองก็แต่งงานมีครอบมีครัวเป็นหลักเป็นฐานสร้างสถานะตัวเองครอบครัวมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็เรียกเรือหัดแล้วจากนั้นคือหัดกลุ่มหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมด มันก็จะปล่อยวางภารกิจต่างๆให้ลูกที่เรียกว่าปุตตะหรือบุตรข่าวปุตตะหรือบุตรเนี่ยมันเป็นความเชื่ออีกระบบหนึ่งว่ามันมีนรกอยูขุมหนึ่งชื่อว่าปุตตะเพราะันคนทุกคนต้องมีลูกถ้าไม่มีลูกตายไปแล้วตกนรกขุมที่ชื่อว่าปุตตะ วันถ้าได้บุตรบุตรจะทำทักษิณาอนปทานา น, าานทิท์ไปให้ในไปนตะโลกแล้วก็ช่วยพ่อแม่หลุดคนจากนารกวันพราหมณ์ปรารถนาบุตรมากที่สุดต่จึงต้องบวชตอนแก่ไงแกยังไม่มีลูกแกไม่บวชเป็นห่วงตัวเองแต่ประชาหน้ามันมีความเชื่อเลยเพียงแต่ว่ายังมุ่งหวังเพื่นคนอื่นให้ทาบุญโนทิตกุศลส่งไปให้ ในขณะเดียวกันพวกพรามเนี่ยพอเห็นว่าศรีรษะงอกแล้วถึงวัยที่สมควรแล้วก็จะเป็นวราประรัตคือเข้าอยู่ป่าเข้าอยู่ป่าไหวเทวาไลต่างๆสนทนากนักปราบพวกฤาษีชีไพรทั้งหลายซึ่งว่าจริงท่านเหล่านั้นก็คือคนที่เคยประสบความสาเร็จในชีวิตมาแล้วอะพวกชุดนี้มันมันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นสรรนาาี คือเมื่อกลับบ้านเน่ยเกิดพอใจติดใจในเพศของนัก บ, บวชประเภทต่างๆกันแล้วแต่ใครชอบใจตรงไหนทั่นก็กลายเป็นสรรนิย a s เพราะฉนั้นนิย a s ีก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตเคยศึกษาแล้วเรียนมาเคยครอบครัวเคยครอบเคยครองเรือนหรือเคยเป็นกษัตริย์หรือเคยเป็นไดามานี่ยเคยเป็นเศรษฐีมาแต่ว่าในสุดก็ปลีกวิเวะเข้าหาความสงบถ้าเหล่านั้นก็กลายเป็นขุมความรู้ แต่ท่านเองเนี่ยมันมันหน่ายโลกแล้วเลยไม่ออกมาอยู่ในป่าเอ้ยไม่ไม่ออกมาอยู่ในเมืองคนก็เข้าไปหาท่านถึงในป่าโดยเฉพาะราชกุมารกับพรัม์กุมารจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้มาจากท่านแล้วเรียนรู้แล้วพวกนี้จะไม่เหมือนอาจารย์เคยเรียนรู้แล้วจะย้อนกลับเข้ามาสู่เมืองหมายความมาจากเมืองไปสู่ป่าจากป่ามาสู่เมืองแต่กระแสของนักบวชเนี่ย จากบ้านไปสู่ป่าแล้วก็อยู่ในป่าถ้าหลุดไปสู่เมืองและสวนมากจะกลับป่าได้ยากเพราะโดน เ, เรียกวิสภาคารมอารมณ์ที่เป็นขัดศึกแต่โดยเฉพาะยิ่งก็แพ้ภัยตัวเองก็ไปเจอก็ผู้หญิงนะ่งส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงก็จับศึกแต่ก็ไม่ใช่จับศึกหรอกก็ตัวฤษีเหล่านั้นก็ไปชอบเข้า่างคนก็ชอบแล้วก็สืขาผ่าใจกันออกไป ก็เหลือไปไม่เท่าไหร่เพราะนั้นก็ปลอดภัยไว้ก็คือไม่ข้าวเมืองแต่ว่ามันอยู่ป่าเนี่ยอาหารมันขาดรถเกลือมันก็มีปัญหาอีกเพราะนั้นจึงออกมาเป็นคราวๆคุมกันมาเป็นหมู่ๆเกี่ยวข้องกับประชาชนในภาพรวมไม่แยกเดี่ยวออกไปมาเป็นหมู่อยู่เป็นหมู่แล้วก็ทํางานกันเป็นหมู่เพื่อช่วยการคุ้มครองดูแลใครมีปัญหาทางอารมณ์ขึ้นมาก็ให้สติว่ากล่าวตักเตือนกันาพรามากัน เราทาให้ท่านเหล่านั้นกลายเป็นกลุ่มบุคคลสองกลุ่มเราอาจจะย่อยเป็นสามกลุ่มเลยก็ได้นะฮะหือว่าพวกนักบวชเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็อยู่ตลอดกลุ่มหนึ่งก็สึกขาออกไปก็กลายเป็นกุมาอาจารย์อีกน้าหนึ่งอย่งนพวกราชกุ ม, มารทั้งหลายเนี่ย เข้าไปอยู่ป่าแล้วก็หายากนะที่จะบวชเพราะว่าลองสังเกตว่าครูตั้งหกเนี่ยมันเป็นกษัตริย์จากุมารองค์เดียวคือท่านวัธมานและท่านมาวีระนอกนั้นก็เป็นสามัญชนธรรมดาธรรมดาแล้วก็เป็นทาทเขาทั้งสองคนคือท่านปุรากัสปะกับท่านสนมัคลินะก็เป็นอดีทตทาท์ แ, แตะจกุมารเหล่านั้นถึงจุดหนึ่งก็ก็ออกมาครองบ้านครองเมืองทีนี้จากจุดตรงนี้มันก็ทำให้กระจายความคิดเห็นออกไปก็สร้างเศรษฐีใจบุญขึ้นมาเพื่อจะให้เศรษฐีใจบุญที่ได้มรดกของบรรพชนด้วยแล้วก็มีความมันขยนันมีความฉลาดในการประกอบสมรชีพเกลือตัวเองเนี่ย ได้ช่วยเหลือคือกุลสังคมได้ดูแลสังคมก็กลายเป็นระบบสร้างโรงทานสร้างโรงทานบางทีเนี่ยคือท่านอธิบายเนี่ยเราก็นึกไม่ออกนะว่าเอาทรัพย์สิเนเงินทองมาจากไหนบริจาค ก, กันมากมายไกลกองอย่างกันบางทีก็ตัวเลขมัานอาจจะมากไปหน่อยเพราะนึกกระบวนการเลื่อนไหลของสิ่งบริโภคนี่ไม่ได้คือสิ่งที่บริจาคนี่ไม่ได้ ต้องฟังลองลองคิดดูว่าเรายุคให้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันช่วยเยอะแล้วนะมันช่วยเยอะแล้วสมาโมกว่าใครคิดจะตักบาตรทำบุญตักบาตรกับพระไม่ต้องเอามากหรอกเอาสักสองพันเนี่ยนะยุ่งยุ่งบุ่นวากันไปหมดอ่ะต้องใช้คนหลายพันนะฮะจึงสามารถจะทำตรงนี้ได้จักรยานผานะเยอะพื้นที่เยอะเลยกินอะไรอะไรเยอะๆเลย องก็แสดงกลับไปจุงโทนที่เคยบอกนะว่าพวกเศษรษฐีเหล่านี้มันรวยมหาศาลคือไหลเข้ากับไหลออกเนี่ยที่จริงไหลเข้ามากกว่าเพราะว่าท่านมีโคเป็นแสนเนี่ยแสดงว่าที่นาท่านหลายแสนะ่ะแล้วก็เรือคาราวานเกวียนค้าขายนี่สารพัดสายเงินก็เข้ามาเยอะมันก็กลายเป็นระบบที่เรียกว่าคืนกําไรให้แก่ประชาชน ถึงเราก็พูดกันร่มแหลมร่มแรมในปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนบางคนในปัจจุบันเนี่ยที่จริงอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งโรงงานได้นะสมมุติว่าตั้งงบประมาณให้ทานบริจาคทานเอาวลล้านเนี่ยสมมติว่าวันละล้านค่คใช้จ่ายทั้งหลายทั้งหมดที่วละล้านเราแค่ 300, 000, 000, 000. แค่สามรอยกว่าล้านก็ไม่ถึงสี่ร้ล้านก็คิดว่าเอาสี่ร้อยล้านที่จริงมันก็ทําได้ ก็ ค, คนบางองค์กรบางองค์กรกําไรมันเยอะเลแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ้ามาบางจุดนะ่ะไม่ใช่เทียบทุกจุดเราจะเห็นว่าคนยุคนั้นไม่เบาอ่ะให้ผ่านเนี่ยไม่เบาเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านก็ใจโลกเข้าใจชีวิตท่านถือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันท่านได้มันได้บุญทีนี้บุญเนี่ยมันหมดได้เหมือนกันถ้าเราสเสวยแต่ผลมัน คนก็เพื่อให้บรารัยพวกบุญต่อไปมันก็ฝังไว้ก็เรียกบุญญาณิธิสอนแม้แต่จากปากของนกแขกต้าได้เพื่อให้เก็บสะสมเป็นบุญญาณิธิไว้และบุญนั้นก็กลั่งไหลออกมาเป็นบุญญาพิสันธาคือเราก็ไม่เคยพบนะว่าคนที่ทําบุญขนาดหนักอย่างนั้นอย่างท่านจิตตคืออาบอดีเนี่ยท่านมา้าบพระพุทธเจ้าเอาของใส่เกวียนมาห้าร้อยเล่มเกวียน แต่คนรู้ข่าวท่านเข้ามาเนี่ยขอสมทบบริจาคเลี้ยงดูคนตลอดเส้นทางคนสมทบบริจาคจนของในรถเนี่ยไม่ได้ใช้จิตตะคดีดีแวะไปที่ไหนก็มีคนแห่กันมาช่วยกันมาวามพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยก็ยังไม่ได้จ่ายของตัวเองเลี้ยงดูพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่นานหลายวันไม่ได้จ่าย เลยตัดสินใจบริจาคหมดโดยข้ากองครั้งข้าครังเพื่อให้วิยาวิจกรเนี่ยเขาดำเนินการต่อไปเอ้าคนก็เอาข่าแห่ของมาใสา่เกวียนให้ท่านอีกก็กลับไปเกวียนเต็มอีกอะก็ถือเป็นคนแปลกแต่ถ้าเราไม่ฟังไว้มันก็มีคนเดียวเต่นั่นเองแล้วพออธิบายถึงเรื่องบุญที่ท่านกระทำมาในอดีตที่โดนบันดาลเนีเป็นไปอย่างนั้นมันก็ไม่มีใครที่ทาบุญอย่างที่ท่านทา ซึ่งจะเอามาเทียบเคียงกันได้แล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่ายุคสมัยตรงนั้นแหละปัญหาทุกปัญหามันมีอยู่แต่ถ้าพูดถึงความเอื้ออาทรแม้จะมีระบบเผ่าพันธุ์วันหนต่างๆอะไรก็ตามระบบเอื้ออาทร น, นี้ก็สูงนะเพราะว่าทานจะออกมาในรูปของการสงเคราะห์ในรูปของการโรงทานในรูปของการอนุเคราะห์ในรูปของการเสียสละบริจาครูปของการมุ่งไปที่บุญโดยเฉพาะ กระจายไปเยอะแยะเพราะงั้นเราลองดูตํานานทั้งหลายเนี่ยปรกชาดกทั้งหลายนั้นจะหนักไปในเรื่องฐานมากแสดงว่ามีคนจําเป็นจะต้องบริจาคช่วยเหลือมากถ้าจุดนั้นมีคนทั้งหลายที่มีฐานะจะช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ว่าจิตใจแคบแคบเนี่ยนึกดูว่าสังคมจะอยู่ได้ยังไงแต่ยุคสมัยตัวนั้นเขานำพาสังคมมาได้นะจนพัฒนาขึ้นไปเป็นสังคมพริญญาได้ถึงก็ไม่ใช่ธรรมดา ก็เพราะพื้นฐานเขากลุ่มหนึ่งนะก็กลุ่มไม่ใช่เล็กหรอกเขากลุ่มใหญ่ระสมควรที่มีพื้นฐานดีงามอยู่เป็นฐานอยู่แล้วเขาเรียกว่ามีบารมีธรรมอยู่ภายในใจดีแล้วต้องฟังท่านหลายแต่รบประพฤิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามพยียบบุนในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี